ง <I> หากมีใครมาเรียกเราวา่าไอ้โง่เราก็เริ่มคิดว่าเขามาเรียกเราวา่าไอ้โง่ได้ยังไงนะเขาไม่มีสิทธิ์จะมาเรียกเราวา่าไอ้โง่มันช่างหยาบคายน้าที่มาเรียกเราวา่าไอ้โง่ แผนนี้ต้องจำประาที่ดันมาเรียกเราว่าไอ้โง่ทันใดนั้นเราก็สมนึกได้ว่าเราได้ปล่อยให้เขาเรียกเราว่าไอ้โง่อีกตั้งสี่ครั้งทุกๆครั้งที่เราคิดว่าเขาว่าเรา เท่ากับเราได้ปปล่อยให้เขาว่าเราว่าไอ้งโง่ปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละแต่ถ้าใครว่าเราว่าไอ้งโง่และเราปล่อยวางในทันใดมันก็จะไม่มีอะไรรบกวนเราได้นี่แหละคือทางออก เรื่องอะไรเราจะปล่อยให้คนอื่นมาบงการความสุขของเราละ่ะ